อันวันนี้ตรงกับวันที่ 17 มกราคม 2532 เป็นวันบันทึก 13 มกราคม 2532 เท่า 4 ขอวันมกราคม 2512 ตื่น 2 เสร็จนอนเวลา 02.00 เพราะว่าไม่ทันจะลืมตาพอมีความรู้สึกตัวขึ้น เห็นรูปภาพพระองค์หนึ่งลักษณะท่วมทิเลษสังขีเออ <c oughs> ตามความรู้สึกนี้ว่าพระองค์นี้เคยรู้จักกันมาก่อนความรู้สึกคือว่าพระองค์นี้เคยรู้จักสันมาก่อนว่าบุคคลผู้โคตรสุดเนื่อง ลักษณะองค์ 24 ชั่วโมงผู้พูดขึ้นตามความ ฝึกเรณัยก็ดีภาวนาก็ทำเวลาก่อนแล้วเมื่อเวลาหลับบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านถือว่าเป็นการทรงอารมณ์ในสมาธิกอง ถ้าว่าถามเป็นการใช้ทิพยานใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ภาพนี้มีผ้าที่ประแงให้เห็นเองเข้าสามารถจะบังคับได้ฉะนั้นเมื่อผ้านี้มี ความลึกลับก็ไม่ยอมบอกความพ่อผู้หญิงแม่ทายว่าผู้หญิง รูปชายก็เป็นคนร่างค่อนข้างใหญ่ลักษณะหนักผิวเนื้อสองสีค่อนไม่รู้แม้พวก ว่าพ่อแม่คืออะไรนั้นเป็นเรื่องของพ่อของแม่มันก็ไม่อยากจะจําเวลานี้ก็จําไม่ได้ว่าจะรู้ชื่อของพระนี้นึกเท่า พระ 3 องค์นี่พระที่มีความสําคัญบรรดาท่านพุทธบริษัทจะพูดอะไรมั่งก็ไม่ทัดเวลานั้นก็มีความกังวลใจว่าลักษณะอย่าง สารผู้ผมพระบรรดาท่านพระบริษัทแสดงบอกถึง อาตมาก็ยอมกับพูดเรื่องนี้อีกแล้วมันไม่สมเหล่มเดียวกันก็มึงพระองค์หนึ่งท่านมาด่าพระว่าจะ ผู้พระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตติโลกิอนิวิโตคนไม่ คนละนั้นก็ว่าพระ ก็ไม่แน่ใจว่าพระองค์นี้มีบุญจริงๆนะเวลาเขาตายของ ตัวบอกกล่าวได้ว่าไม่มีใครเลยในโลกที่ไม่เคยทําบาปการฆ่าบูบมดให้ตายก็บาป ท่านบอกว่าธรรมว่าบาปย่อมมีด้วยๆว่าเวลานี้ได้โสสุคติเอริญดา อาตมาก็ถามท่านต่อไปว่าไปสู่ขอไม่ ต่อไปก็ถามท่านบอกว่ากรรมที่ผู้ที่น่าข้อง namal wa t' mane idee ngun, kon kou bhut wa him thuan They can wear khai formal lacks際, Sehr wat do i �� french wa wat Educide Won't it се rai m Pacifica if you 경제 cuando los de man happening kitu kỵ Installate general die re nied objetivo n decreed gay wa wat nanna in kongscay si nanya ke ba baby We ask Ra soon wat tour inside a London Institut wa efforts to take cottage เอาถวายให้ท่านวัดสายสายโฆษนาว่าจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาตามปัญญาสร้าง ถ้าว่าจุดตรงนี้มีจงวน Mm. พระไปอุปสรรคขัดข้องนิดหน่อยในการที่ นายโทรเลขนั้นบอกว่าหลวงพ่อ 2532 เอ่อท่านที่โทรเลขมาชื่อว่ากระแส แต่ว่าท่านยอมรับนับถือต่างๆก็ยังฉะนั้นเจตนาของท่านดูจะเป็น โดยว่าจะเป็นด็อกเตอร์มาจากอินเดียถ้าจําไม่ผิดนะแล้วต่อมาก็มาเป็นเจ้าหนัก พระอาจารย์ทางท้องทุกข์มากได้ได้สงใจไปช่วยพระบรรดาท่านพุทธบริษัทด้วย แต่มหาธรรมพรจะไปไหนนั่นมันเป็นเรื่องของท่านถึงความ มันมีการนับ 1 2 บท 3 และ 6 ถ้าฟัง 3 เนี่ย 3 อย่างคือ 1 พุทธจริยญาณ 2 ปุถุชนิวาสานุกาย 3 อาสวะคญาณถ้าพูดเป็น 1 มีจิต ว่าองค์ปุพเพนิพพานสัมปยยัง เพราะฉะนั้นสําหรับอปัญญา 6 มีอย่างนี้คืออิทธิวิทิก็แสดงฤทธิ์ได้ 1 แสดง 5 ได้ตา ถ้าหาได้ฝึกกุญญาณเหตุตา 2 ใน 3 ผู้ สามารถที่เห็นแล้วแต่ว่าในรกสวรรค์นี้พรหมโลกฉะนั้นให้เราบ้าการสอบใจตามความ ท่าน 3 จําให้ดีนะก็ทุกคนที่ทําได้แล้วอย่าทิ้งจะต้องทําให้คล่อง ให้ถามตรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าว่ามีคนยกค้านบอกว่าพระพุทธเจ้าทนิพพานไปแล้วถามที่ไหนก็ตั้งใจถามเถิดไม่จะ การที่นึกถามพระพุทธเจ้าให้ตั้งใจพั่นจิตใจให้สะอาดจนนิพพาน 5 ประการ ในความ 2 ความ 3 ความ 4 จิตสงสัยในทั้ง 5 อย่างนี้อย่าให้มี อย่างนี้ก็อาจจะรู้อะไรได้ 1 สังขารลึกได้กายแสดงลึกต่อเห็นดอกอาการทางอย ถ้ามีข้อใดคุณนว่าท่านที่ทําได้แล้วก็ต้องทําไม่ได้ถ้า นั่นหมายความว่านำเอาใจเพื่อที่จะมาละทายกายภายในไปสวรรค์ก็ได้ไปบรรพโลกก็ได้ถ้าเวลานั้นที่สะอาดไปนิพพานก็ได้รู้ว่าถ้าหากว่า ถ้าใช้ฤทธิ์ทางใจร่างกายจะเป็น 6 ผู้กลางแสดงฤทธิ์ได้ทางใจก็เป็นส่วนหนึ่งกับการปนิเทศแสดงฤทธิ์ปรมัตราเป็นญาณ 6 ในส่วนหนึ่งผู้ นะเสด็จเขียนอธิปสัตหูทิพย์ที่ควรควรต้องใช้คําว่าอธิปสติญาณมีความรู้จากประสาทหูคล้ายหูทิพย์นั่นก็เสียงกว่าเสียงคนเสียงสาวเสียงพูดหญิงหรือ ไม่ผู้ประสาทหูทุติยถ้าประสาทหู แล้วเสียงใครจะพูดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าว่าจะเป็นการแรงปรวามกับสงฆ์สังฆ์กับป่วยสงฆ์ใครกับก็ตามเขาพูดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้า ว่านี้พระองค์หูต้องการจะรู้ก็รู้วันนี้ถ้าหาชาวศาสดาหูจะได้ทรัญาณทางหูได้ก็ถือว่าได้อีกหนึ่งในปัญญา 6 พอ เค้าคํานึกอย่างไรถ้ามีสุข มีความเป็นอยู่ยังไงจิตใจมีความรู้สึกไงเราก็จะรู้ท่านคนนั้นเป็นผู้ได้ฌานโลกีย์ขั้น เรียนว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ผลไปจากโลกถ้า 3 โลกนี่สมมุติโลกที่ว่าโลกเหมือนสโนของพระพุทธเจ้ามันไม่ รับคําตอบแบบไหน 1 2 3 ถอย ต้องการรู้ชาติไหนเป็นอะไรไม่ถึงภาพนั้นถ้าใหญ่รีถามตรงพระพุทธเจ้าก็คอยเห็นภาพโดยอันนี้ไม่ยากถ้าใช้วิธีถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้ให้ ถ้าทุกคนอยากให้ใครอยู่ที่ไหนต้องการจะทราบลักษณะเป็นยังไงรู้หมดถ้าอยากให้พัดจริงๆอย่าลืมถามพระพุทธเจ้าเองทุกอย่างอย่าลืมทวงอย่าลืมถ้าท่านลองมาแล้วถ้าต้องการรู้ด้วยตนเองบังคือมันก็พลาดพูดได้ทราบได้บางทีผิด ขอ 6 แล้วอาราบรรดาท่านพุทธบริษัท แล้วก็มารอให้เห็นอย่าแล้วก็อย่าโยมพระพุทธบริษัทอย่าคิดว่าเขาไปที่ไหนอาตมา แม้แต่ตัวเองก็ป่วยขั้นไม่สบายอย่างหนักเวลานี้ห่วงตัวมากไม่รู้ห่วงเพราะอยู่ห่วง เอ่อสมบัติที่มีความสําคัญของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจง 3 เจริญภาวนาเท่าที่กําลังใจ นั้นเส้นทางของบาปอุนทุจริตที่ทํา